วังคีสะขออานี่ไปนรกพรุทธเจ้าใชา่นี่ไปหรือว่าไปสวรรค์อะไรอย่างงี้ยนะเออไม่ผิดพอข้ออีกพอข้อกะโหลกของของพระอรหันต์ก็ไม่รู้ไม่รู้ไปไหนฮะไม่รู้ไม่ไม่รู้ไปไหนก็โ อ, อ้ก็เลยเห็นว่าเออวิชานี้อยากจะเรียนกับพระพุทธเจ้านะว่าเอามีมาณม เราเราเรามีมณะผิดเนี่ยแสดงว่ามีคนรู้กับเราเกิเลยอยากเรียนะแต่พระวังคีสะนั้นเป็นผู้ที่มีความชํานาญอย่างหนึ่งคือมีปฏิพันธ์ไววพริบเป็นเลิศเป็นเอตต ะ, ะคะด้วยนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์บทกรอนนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเมื่อพระวังคีสะ ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยก็ได้กล่าวสรรเสริญพุทธคุณบ่อยๆเป็นคาถาซึ่งพระองค์อื่นก็ไม่ทราบว่าพระองค์นี้นะ่ะได้บรรลุหรือยังใช่ไหมฮะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์นี้ถึงได้อะไรกล่าวทำนองกล่าวกล่าวง่ายๆพลอยๆ อ, อย่างนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับก็คงจะไปถามพระผู้มีพระภาคนะพอมาอ่านถึงตรงนี้นี่นะครับ ก็เลยคิดถึงอาจารย์สุรภานะมีความสามารถในเรื่องนี้มากนะพอฟังปั๊บกอบประมวลมาเป็นกรอนได้เลยนะนี่มีมาแล้วในสมัยพุทธกาลแล้วก็เป็นพระอสีติสาวกด้วยนะแล้วเป็นเอตทัทธัคในเรื่องมีปฏิพานไหวพลิบนะก็พระสูตรนี้อ่านแล้วก็เออก็เห็นความหลากหลายนะของ พระสาวกนี่มีมากมายทีเดียวนะ <c oughs> ก็อ่านแล้วคิดถึงอาจารย์สุรภานะใครบ้างครับที่จะมีความสามารถที่ฟังแล้วประมวลแป๊บเดียวได้เลยเรื่องศรัทธาเดี๋ยวออกมาแล้วแป๊บเดียวนี่นะก็เป็นความสามารถอย่างหมาป่าครับหออมานะอย่าลืมว่าอย่าจดว่าเขียนๆแล้วอย่าทิ้งไปนะจดจดเอาไว้เผื่อจะมา ท, ทําเป็นเล่นได้ คงจะเป็นลูกหลานคงจะเกี่ยวดองกับพระวังคีสเทระมาก่อนน ะ, ะจนจะปิดเทอมแล้วท่านจะมีอะไรครับมีอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าหมายมันจกดเป็นปีแล้วนะเราศึกษากันมานี่เออ <c oughs> อันที่จริงในพุทธานุสตินะครับเมื่อพูดถึงเรื่องอ พูดถึงเรื่องวิชาและจรณะนี่นะฮะคำว่าจรณะ15เนี่ยที่พระภุมิภาพทรงมีสีลสัมปทามีสัตธามีอินทริสังวรมีหินลิมีโอตตปะมีชาคลิยานุโยกมีอาหาเอาหาอาหาร โพชเนโพชเนมัตตันยุตาแล้วก็ ม, กมีชาญอีกมีชาญทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมีชาญทั้งสี่ชาญเลยแล้วก็ออะไรนะอินสีสังบอลมีอยู่แล้ว คือในจาร纳สิบ5้าก็หนึ่งสินนะครับหสีลัสสลัสสัมปทาสองอินทรีสังวรสามโพชเนมัตันยุตาแล้วก็สชาคริยานุโยกและพระองค์มีศรัทธามีฮิริโอตปะนนะมีฮิริมีโอตปะมีวิริยะแล้วก็มีปัญญามีสติมีปัญญาแล้วก็ฌานทั้งสี่ประการในจารณาสิบห้าน่นนะก็กว่าจะไล่ครบก็ ก็คนแก่หน่อยนะครับเอาแล้วว่าข้นั่งๆเรานั่งๆนึกๆจะออกได้สักสิบหนี่นะเพราะว่าสมาธิเข้าไปสีแล้วนะเพราะฉะนั้นคงเหลือสิบเอ็ดนะสิบเอดนี่พอจำได้นะแล้วก็อยู่ในอินรี่ห้าด้วยตอนท้ายเนี่ยอินรี่ห้าเนี่ยตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่นะฮะตรงนี้เข้าไปแปะแล้วนะฮะพระนั้นจำก็ไม่ไม่สูญยากนะแต่มานึกถึงว่า ผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับก็มีลักษณะที่ผู้ที่จะบรรลุตามเนี่ยก็มีลักษณะเนียคือตั้งแต่ต้องมีศีลน่นะฮะลักษณะที่บอกไว้ในพุทธานุสีเนี่ยคือความหมายของวิชารัจารณะเนี่ยทำให้เรามีแนวทางที่เห็นว่าเราบ้างจะเป็นพระอรหันต์จะเป็นผู้บรรลุจะต้องมีอะไรบ้างตามคุณคุณสมบัติตั้งแต่หนึ่งมีต้องมีศีลต้องมีแน่นอนใช่ อินทรีสังวรผ่านไม่ได้ถ้าเราจะศึกษาธรรมะเชิงสูงถ้าเราถ้าเราสังวรไม่สําเร็จไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแนวทางนั้นไม่ใช่แล้วผมนึกในใจนะว่าแนวทางปฏิบัติเวลานี้มันสารพัดเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าหาว่าแนวทางใดไม่เกี่ยวข้องกับอินทรียสังวร น, นี่เอ๊ะสงสัยนะฮะแล้วก็ผู้ที่ยังไม่มีมัโทโชนเนมัตตัญุตานี่ก็ยังมันก็ห่างเหมือนกันนะ หรือว่าผู้ที่ยังไม่รู้จักตื่นตัวอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะตื่นตัวในการการเจริญสัมมาธรรมนี่หรือไม่มีศรัทธาไม่มีหิลี่ไม่ไมีอัตตะคือผู้างานวันในในจริยในในจารณะสิบห้านี่นะรู้สึกจะเป็นลักษณะของผู้ที่จะบรรลุเ่นไพ่ไปนิดหนึ่งครั บ, รบแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องสมาธินี่นะฮะพอพูดถึงเรื่องสมาธิเนี่ย ก็ดูก็ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยสมมติอย่างอย่างผมคาววะนี่ใช่ไหมฮะก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องอนุสติทั้งหลายถูกไ้มตามสมควรแก่เพศคือถ้าผู้ที่บรรลุแบบพิเศษนะคนะารวาส่วนใหญ่ถ้าบรรลุทำจะบรรลุตอนฟังธรรมนะส่วนใหญ่เลยจะบรรลุตอนฟังธรรมผู้ที่บรรลุไม่ใช่เวลาฟังธรรมคนเหล่านั้นเจริญสมะถะเป็นหมดเลยเนะีนะ่ย ผู้ที่บรรลุในขณะที่ฟังธรรมนี่ยอาจจะเจริญสมถะไม่เป็นมากแต่อย่าลืมว่าผู้ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมเนี่ยจะให้ได้ทั้งห้าอย่างเลยจะให้สมาธิได้ในขณะที่ที่เขากล่าวนั้นยกตัวอย่างนะอย่างคนที่มีศรัทธาอ่อนๆ อ, อ, อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าพูดให้เขามีศรัทธาได้ mm. คนที่มีความฟุ้งซ่านเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดให้เขาสงบได้พระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมให้เขาเนี่ยสางซาจากนิวรณ์ทั้งห้า นะให้จิตเขาเบาให้จิตเขาอ่อนให้คล่องแก่ควรแก่การงานแล้วพระองค์จึงจะประกาศอริยสัจไม่ใช่อยู่ๆแล้วพระองค์ประกาศอริยสัจเลยเพราะฉะนั้นนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยเวลาเกิดขึ้นในจิตของบุคคลใดเนี่ยนะก็บอกว่าการมาฉันทะเหมือนคนมีหนี้พระพุทธเจ้าพูดคลายหนี้อันนั้นเขาได้อะสามารถแสดงใช้หนี้ให้ไนดะ้คนมีพยาปาทาณิวโรโธสะเกิดก็เหมือนกับคนเป็นไข่อ่ะพระองค์ใส่ยาให้หายอันนะ้ คนที่ถีน่ามิทธะก็เหมือนกับคนอยู่ในตารางพระพุทธเจ้าก็รื้อห้องขังอันนั้นให้คนที่มากไปด้วยอุทจกักกูกูจักก็คือคนที่กำลังเป็นธาตุพระองค์แก้ให้เป็นไทยเลยคนที่กำลังเดินทางไกลาทางกันดาเ น, นี่ยนะพระองค์บอกให้เขาหยุดก่อนนะนะไม่ต้องไปไหนลนะนั่งสบายๆเขาใจเขาว่างจากนิวรทั้งห้าเนี่ยนะ เมื่อจิตเขาอ่อนจากนิวรณ์เขาก็จะฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาคืออริยสัจแล้วจะบรรลุธรรมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาฟังธรรมอย่างอื่นอย่างยกตัวอย่างนะเขาฟังพระเวสสันดรชาดกซึ่งยาวพอสมควรเลยเนี่ยนะให้จิตเขาเบาเป็นต้นแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ ต, ตอนท้ายไม่ใช่ยูยูแล้วประกาศอริยสัจเลยฉะนั้นพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องของอริยสัจเรื่องขันห้าเรื่องรูปนามเป็นต้นจะส่วนใหญ่จะ ก, กล่าวกับพระ พระภิกษุซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสูต ล, ลึกซึ้งเนี่ยนะที่กล่าวกับกลุ่มค า, ารวาะตรงๆเลยเนี่ยไม่มากนะักเว้นแต่ว่าค า, ารวะมาถามปัญหา<ม>เฉพาะเรื่องนั้นๆไปเนี่ยนะจึงจะ ก, กล่าว <c oughs> ปฏธรรมะที่ลึกซึ้งวันนี้อ่านในมิลินทปัญหานะครับที่ที่กล่าวถึงผู้ที่สมาทานทุดงนะฮะท่านเปรียบเทียบบอกเอ๊ะคารวะาสําเร็จเป็นพระอาริยบุคคลใน ในกรุมสาวัตถีนี่มีเท่าไหร่โอ้โหมีเยอะแยะเป็นแสนนี่นะครั บ, จบเจ็บาทพระเจ้ามิลินก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยพระภิกษุผู้ถือทุดงควรัตนเนี่ยนะโอ้โหลําบากอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วมันจะแตกต่างยังไงกันใช่ไหมฮะพระนาารกักเกษมก็อธิบายว่ามีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะฮะในธุดงควรัตน์กี่ข้อไม่ทราบเนี่ยมีเยอะหลายข้อเนี่นะมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะครับเป็นการขัดเกลาอย่างยิ่งยวด น, นี่ครับ พระเจ้ามีลิงบอกอา้าวเขาเป็นคาราวาส์อย่างนี้เนี่ยโ อ, อ้ไม่ต้องระบายอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะแต่มีข้อคิดอยู่อันหนึ่งนะพระนักเสียนบอกว่าบุคคลนั้นจะบรรลุภายในชาติเดียวไม่ได้จะบำเพ็ญบา ร, รมีหรือว่าจะตั้งความเพียรว่าเออเริ่มวัาชาตินี้แล้วจะบรรลุชาตินี้ไม่มีไม่มีเท่าไหร่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าผู้ที่บรรลุทั้งหลายนั้นเคยสะสมสิ่งเหล่านี้มา เช่นโพชเนมัตันยุตาก็ต้องเคยสะสมมานะฮะเคยสะสมมาไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งถ้ามาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ว่าจะเป็นเพศคาราวาหรือภิกษุนี่ครับเคยบำเพ็ญธุดงคขวัดมาเป็นไปได้ไหมครับก็น่าจะเคยหนักเบาบางคนเนี่ยนะมีอัธยาศัยธุดงโดยที่ไม่ต้องสมาทานเลย อย่างบางคนเนี่ยนะสังวรปากสังวรคอในเรื่องกินมากโดยที่เขาไม่ได้สมาทานอะไรเลยนะจะทานอะไรฟักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้ยคิดแล้วคิดอีกหรือว่าทานน้อยมากเลยนะคร า, าวาสบางท่านที่ที่เคยพบพบเนี่ยนะเป็นคนที่สังวรในเรื่องกินมากเลยแทบไม่ต้องสมาทานเลยภิกษุบางรูปต้องสมาทานนะั้นจึงจะทําได้เท่ากับคนนั้นอะ่ะเนี่ยนะอย่างบางคนยกตัวอย่างนะคนที่ที่ใช้ข้าวของแบบประหยัดเลยนะก็เหมือนกับชู้ดงนั่นแหละเขาไม่ต้องสมาทานเลยใช่ไหม เป็นโดยอัธยาศัยในการใช้ข้าวของแต่ละอย่างนี่คํานึงถึงประโยชน์หมดเลยนะอย่างอย่างคนบางคนจะใช้ซัพย์แต่ละบาทหนึ่งเนี่ยนะเขาคํานวณถึงประโยชน์เท่งเล็งถึงประโยชน์หมดเลยนะเขาจึงจะใช้ไปอย่างหนึ่งใช้ไปอย่างหนึ่งเรียกว่ามีศาสตะกะสัมปชัญญะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมาฟังแบบนี้เลยเพราะเขาสะสมอย่างนั้นม า, านะและอย่างหนึ่งนะที่เราฟังทำเนี่ยเราฟังประวัติของที่บรรลุธรรมจะแผ่วๆฟังแผ่ว ๆ, ๆ เราไม่ได้เจาะรายละเอียดว่าคนนี้ในสังสารวัฏเขาทำอะไรมาบ้างเนี่ยนะเพราะเราพูดเป็นรวมพูดรวมๆพูดเป็นหมู่ๆเป็นกลุ่มๆเฉพาะแยกย่อยมาก็ไม่ค่อยได้ไปคนควายอย่างละเอียดนะยกตัวอย่างนางวิสาขาบรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบใช่มนางวิสาขาตั้งความปราธนามาแสนกับแล้วก็ในเฉพาะในพระผู้มีพระภาคพระองค์กรประพฤติโกมารีพรหมจรรย์เนี่ยนะงหมื่นปีอะ สองหมืนปีฟังทำตลอดเลยนะเป็นเจ้าของสร้างวัดสร้างวา่าปฏิบัติรมอยู่อย่างเงี้ยส 0,000 ื่นปีอะ่ะนั้นสองหมืนปีเนี่ยฟังอะไรมาบ้างในช่วงชาตินั้นๆนะเนี่ยนะอันนี้เฉพาะในกลับนี้นะและเอกเก้าหมื่ก้าพบเกกลับที่แล้วอะ่ะทําอะไรมาบ้างนะสร้างสมบารมีอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยนะอันส่วนใหญ่ก็จะเอาเอาตอนจบเลยก็เหมือนกับอ่านประวัติแบบทางโลกโลกเนี่ยนะคนที่จบด็อกเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหม จบดรประสบความสําเร็จเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นวีรบุรุษเป็นอะไรเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเอาชีวิตในตอนท้ายๆตอนจบแล้วมามากล่าไม่ได้กล่าวถึงชีวิตบุคคล น, นี้โดยละเอียดนะกนถ้าหากว่าเราเรียนชีวิตของบุคคล น, นั้นๆโดยละเอียดเราจะรู้ว่าไม่ได้มาโดยง่ายๆเลยนะใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงส่งมากเลยจึงจะเป็นในลักษณะนั้นได้ยังไงดังนั้นการตรัสรู้อริยสัจจะทำก็เหมือนกันเป็นเรื่องของคนมีบุญอ่ะ แม้แต่จะคนที่จะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีบุญนะจึงจะจึงจะนับถือพระองค์ได้ถ้าไม่มีบุญเนี่ยนับถือก็นับถือไม่ได้แล้วนะหรือว่าถ้าหากว่าไม่มีบุญเนี่ยนะที่จะนั่งฟังคำสอนของพระองค์ก็ไม่ใช่ของ ง, ง่ายๆนะถ้าไม่เคยสะสมอัธยาสาัยแบบนี้มาอย่าคิดดูนะว่าการที่เรานั่งฟังกันอย่างเงี้ยสะสมความคิดมาเท่าไหร่จรึงนั่งฟังอย่างนี้เข้าใจ สะสมมาตั้งมากมายเนี่ยนะวัตทรัพย์คือบุญเนี่ยสะสมกันมามากเนี่ยนะสะสมจนสามารถมองเห็นทุกขาริยาศัตร์ได้นะและไม่ใช่เห็นทุกแบบเห็นคนป่วยเฉยๆเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเฉยๆเห็นแล้วประมวลชีวิตทั้งชีวิตแล้วทําปริญญาสามในทุกขาริยาศัตร์เนี่ยนะแล้วรู้ว่าอะไรเป็นสมุทัยศัตร์สา ม, มารถปฏิบัติปหานะได้แล้วรู้ถึงที่สุดแล้วก็สา ม, มารถทําให้แจ้งได้แล้วในขณะเดียวกันก็แทงตลอด อริยมรรคศาสต์หรือจารณะสิบห้าก็คืออริยมรรคนั่นเองเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้งนั้นท่านเหล่านั้นก็จะต้องมีบุญมองชีวิตตลอดสายกันหมดเลยเนี่ยนะมองชีวิตกันตลอดสายถ้ามองชีวิตไม่ตลอดสายอย่างไรก็แต่สรุปธรรมไม่ได้วันนี้ก็เอาในเทริกถาเหมือนกันของการดูเทระเอามาดูเทรีเทริกถาทานางสุเมธาเทรีเนี่ยนะ ในเถระคถาเนี่ยองสุดท้ายที่พูดธรรมะพิสดารก็คือพระวังคีสะในเทเรคาถาองค์ที่พูดพิสดารก็คือสุเมธาเถรีองเนี่เก่งมากในการประพันธ์คถาจริงนิดนึงครับคือเนื่องจากว่าพระวังคีสสะเป็นเป็นเอกทัคคะในทางทางปฏิพานไหวพริบนี่นะครับ เ, เห็นกล่าวกล่าวไว้ในมิตินปัญหาว่ามี มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมครับที่รวบรวมคาถาของของพระวังคีสาไว้เป็นเป็นส่วนผมไม่ทราบว่าอยู่ในเล่มไหนคือมี ม, มีมีทั่วๆไปเนี่ยนะประสูตรใดที่พระวังคีสะถามปัญหานิดเดียวอย่างเงี้ยปัญหาถามว่าอุปชาของท่านเป็นพระอรหันนิพพานไหมท่านก็โอ้ยพูดมาแล้วจนพารนาชมพระพุทธเจ้าชมแล้วชมอีกโอ้พระองค์เก่งอย่างนั้นมีความสามารถอย่างนี้นเสร็จแล้วก็ถามว่าอุปชาของท่านนิพพานหรื อ, อยังอย่างนั้นเป็นพระอรหันหรือเปล่า ก็เห็นกิริยาบางอย่างแหมไม่น่าเป็นอะไรเงี้ยนะก็สงสัยหบงนั้นแต่แต่ว่ากว่าจะถามประโยคนั้นได้เนี่ยนะถามนี่เรียกว่ารารอย่างอื่นมาต่ยาวเลยนะชมทั้งพระพุทธเจ้าชมนะก็เหมือนกับพระยาวมากถ้ามหาอุทายีเนี่ยนะถ้ามหาอุทายีที่ชวนพระพุทธเจ้ากลับเมืองกบิลพัทนั่นก็เหมือนกัน โอ้ยชมพารณาถนนหนทางเรียกว่าต้นไม้ใบยญ้าเนี่ยนะข้างทางพูดหมดเกลี้งเลยเนี่ยนะจะผ่านต้นไม้ใดบ้างมีสระน้ำมีหมู่บ้านบินทบาดระหว่างทางไปยังไงก็ว่า6หกสิบคาถาหนังสือต่างหลายหน้าเขาว่าสรุปแล้วว่านิมนต์ให้กลับไปเมืองก บ, บิลพัทท์ทันแล้วนะเนี่ยนะแต่ว่า <c oughs> ความสามารถในการ <c oughs> อารมพบทมายาวเหลือเกิ น, นพูดได้น จ, นจนต้องไปอะ่ะ <c oughs> ความจริงในพระไตรปิฎกนะครับนอกจากจะประมวลความรู้ต่างๆวิชาการต่างๆแล้วนี่นะยังเป็นเรื่องของวรรณคดีที่มีภาษาที่ไพเราะมากนะเพราะว่าผู้ประพันธ์นั้นเป็นพระอรหรนะันต์ปฏิสัมพิธาปฏิสัมพิท า, า, านี่ยนะย่อมเรียกว่าเยี่ยมยอดกว่าบรรดากวีทั้งหลายนี่นะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่มีสารพัดเรื่องเลยนะครับทั้งอยู่ทั้งยาการรักษาโอ้ ทุกศาสตร์ทุกศาสตร์อยู่ในนั้นหมดเพราะว่าเป็นพุทธศาสตร์ถ้าไม่รู้หลายๆศาสตร์เนี่ยนะจะแทงตลอดอริยศาสตร์ได้อย่างไรเพราะก็ยังสงสัยทุกศาสตร์โน้นสงสัยศาสตร์นี้สงสัยศาสตร์นั้นก็แทงตลอดอริยศาสตร์ไม่ได้ใช่ไหมคือต้องสามารถอย่างน้อยที่สุดสรุปว่าชีวิตไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนั่นแหละเป็นหนึ่งศาสตร์นะชีว์วิชีวิตเกี่ยวข้องกับแสงสีเสียงก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งชีวิตเกี่ยวข้องกับยูกยาก็อีกศาสตร์หนึ่งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปกครองก็อีกศาสตร์หนึ่งเพราะฉะน พุทธศาสตร์เนี่ยกล่าวถึงชีวิตทุกที่สัมพันธ์กับทุกทุกศาสตร์แต่ว่าแสดงในเชิงสั์จะมากกว่าที่จะส่งให้คนเนี่ยไปจบศาสตร์แต่ล ะ, ะแขนงเน้นมาที่ศาสตร์ชีมาข้างในมากกว่านะนะ้เถรีกรถาหน่อยปกติแล้วถ้าแสดงเทรีกรถาจะใช้เวลาค่อนข้างมากในเฉพาะเทรีกรถาองค์นี้นะคือ ในเทรีคาถาทั้งหมดชอบพระเทรีองนี้ที่สุด ท, ทั้งเก่งจริงๆอะ่ะเทพเทพเป็นตั้งแต่ยังไม่บวชอะ่ะผมฟังชื่อผมก็ชอบแล้วผมไปชื่อเลาะๆเลยชื่อสุเมธาสุเมธานี่ก็คือมีปัญญาดีนั่นเองเมธาเนี่แปลว่าปัญญาสุกก็คือดีสุเมธาเถรีคาถาพระเทรีแม้รูปนี้ได้บําเพ็ญบารมีมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน สร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆก็คือทาบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ตั้งเป้าหมายเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะนะทำกุศลใดๆก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าขอเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจนั่นเองเพิ่มภูนสัมภาระธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกโดยเคารพเนี่ยนะนะขณะที่ทำก็ทำโดยความเคารพใช่ไหมอ่าหนึ่ง จิระใช้เวลามานานแล้วสองทำด้วยความเคารพเดี๋ยวนะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องกล่าวถึงสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาว่าโกนาคามณะบังเกิดในเรือนสกุลรู้เดียงสาแล้วก็มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกับกุลธิดาสหายของตนนะมีเพื่อนอยู่สองสามคนเนี่ยนะก็เลยร่วมกันสร้างอารามใหญ่มอบถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในศาสนาพระพุทธเจ้าพนาวา โกนาคามณะเนะี่ยเพราะบุญกรรมนั้นเมื่อแต่กายทําลายขันนางก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงณสวรรค์ชั้นนั้นนางก็เสวยทิ่ผสมบัติจนตลอดอายุอยู่จนสิ้นอายุเลยเนี่ยนะพันปีทิพย์ก็อยู่จนสิ้นพันปีทิพย์จุติจากนั้นก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นยา ม, มาจุติจากยา ม, มาก็ไปเกิดในชั้นดุสิตจากดุสิตก็ไปนิมม า, ารดีจากนิมมารดีก็ปรนิ ม, มิตะวะวัสวดี นางเกิดในสวรรค์กามาผจรทั้งห้าชั้นตามลําดับดังกล่าวมาชนิดนะทุกชั้นเนี่ยจะต้องอยู่จนสิ้นอายุแล้วเลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและเป็นมเหสีของเท้าเทวราชของสวรรค์แต่ละชั้นด้วยนะถ้าอยู่ดาวเด่นก็เป็นมเหสีของเท้าสักกะถ้าอยู่ยามาก็เป็นมเหสีของเท้าสุยามถ้าอยู่ดิสิตก็เป็นมเหสีของเท้าสันดุสิตนะถ้าอยู่ในนิมมารเดก็เป็นมเหสีของเท้า เท้านิมมานาเรียะที่ปกครองในชั้นนั้นนเป็นใหญ่หมดเลยจุติจากชาตินั้นแล้วครั้งพร ะ, พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะก็เป็นทิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติมากรู้เดียงสาตามลำดับแล้วก็เลื่อมสายยิ่งในพระศาสนาได้กระทาบุญกรรมอันโอลานเฉพาะพระรัตนตรยัยเนี่ยนะทบุญก็เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆาบูชาแล้วก็ไม่ใช่ทำอย่างธรรมดาด้วย ในครั้งนั้นนางอาศัยธรรมะหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตเป็นแป่กรธรรมอย่างเดียวเลยเนาะนึกถึงโยมทนหนึ่งก็บอกว่าฐานะเขาบอกว่าเพราะฐานะไม่ดีหรอกก็เป็นช่างเย็บเสื้อผ้าเขาเล่าว่าเขาบอกว่าชีวิตนี้เขาทำบุญพอมีค่ากับข้าวอยู่วันๆแล้วก็ที่เหลือเขาจะทำบุญอย่างเดียวเท่านั้นอ่านพระไตรปิฎกบ้างนะเป็นอายุก็ไม่มากนะักนะประมาณามสิบกว่ากานี่แหละ ก็ใช้ชีวิตแบบนั้นแหละเขาก็เาก็จะตัดเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็แบ่งค่าอาหารส่วนหนึ่งก็ให้แม่ให้พ่อเขาแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกฟังเทปไปด้วยอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ฟังธรรมก็อยู่อย่างเงี้ยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยหลายปีละมัเนกึกว่าเออของสายเป็นแบบนี้นะนางอาศัยธรรมะหล่อเลี้ยงชีวิตยินดีมั่นในกุศลธรรมจนตลอดชีวิตจุติจากนั้นแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง ท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในสุขคติเท่านั้นในพุทธุบาทการนี้ก็บังเกิดเป็นที่ดาของพระเจ้าโกนจะนะกรุงมันตาวดีเป็นเป็นพระราชที่ดาพระชนกชนนีได้ขนานพระนามพระนางว่าสุเมธาสมัยพระนางเจริญพระชันสาก็ทรงปรึกษาตกลงกันว่าจักถวายพระนางแด่พระเจ้าอันิกรัตตะนะกรุงวารณวดีนะนะพอเจริญเติบโตเป็นสาวแล้วก็ นี่นะก็ให้ไปเป็นมเหสีอย่างั้นแท้นับตั้งแต่ยังทรงเป็นทาธิกาก็คือพอคลอดออกมาก็มั่นกับพร ะ, ะมั่นกับลูกพระราชาอีกเมืองไว้เบ็ดเสร็จแล้วพระนางพร้อมด้วยพระราชธิดามีวัยปูนเดียวกันและเหล่าทาสีก็พากันไปสํานักของภิกษุณีเนี่ย น, นะตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นมารู้เดียงสาเนะี่ยเข้าวัดอย่างเดียวละพระนางองค์นี้นะฟังธรรมะในสํานักภิกษุณีแล้วก็เกิดสังเวชในสังสารวัฏเนี่ยนะ คนฉลาดอยู่ได้ใช่ไหมฟังธรรมก็แตกฉานมากเพราะบำเพญบารมีมาเป็นเวลาชานานทรงเลื่อมสายยิ่งในพระศาสนาเมื่อทรงเจริญพระชนสาก็ได้มีพระไทยหันกลับจากกามทั้งหลนะ่มีใจคิดตรงกันข้ามกับพระราชธิดาส่วนใหญ่ด้วยเหตุนั้นพระนางได้สดับการปรึกษาการของพระชนกชนนีพระประยุรญาตจึงตรัสว่าลูกไม่ประสงค์กิดคารวัต ลูกจับออกบวชเหนะพระชนกชนนีนี้โปรดจะทรงประกอบพระนางไว้ในกิจคารวาดแม้ทรงอ้อนวอนโดยประการต่างๆก็ไม่สามารถทำให้พระนางยินยอมได้นะก็คือขณะที่พ่อแม่กำลังปรึกษาเรื่องงานแต่งงานเนี่ยนะว่าจะได้ส่งตัวหรือว่าพระราชาอีกเมืองเนี่ยจะรับไปเป็นมเหสีแล้ววันจะแต่งงานเกิดขึ้นยงงญาติเขาปรึกษา นางได้ข่าวก็เลยเข้าไปหาซึ่งนางได้กล่าวไว้ว่าเราเป็นทิดาของพระอัครมเหสีของพระเจ้าโกนจากกรุงมันตาวดีชื่อว่าสุเมธาผู้ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ทำตามคำสั่งสอนให้เกิดความเลื่อมใสแล้วคือนางนั้นเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เด็กใช่ไหมซึ่งพระธรรมที่นางฟังก็ฟังจากพระอริยเจ้าเนี่ยนะซึ่ง มีแต่พระอาหารหันต์ซะส่วนใหญ่ในสมัยนั้นอันเข้าไปก็ได้ฟังธรรมกับพระอาหารหันต์ตั้งแต่เล็กๆก็เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนพอกพูนมาเรื่อยเจ้าหญิงสุเมทานั้นเป็นผู้ที่มีศีลกล่าวธรรมะได้วิจิตและเป็นพหูสูตรเพราะว่าฟังพระป ร, ะริยติธรรมมามากถูกแนะนำในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวินีตะแนะนาในปวัตตะและนิวัตตะ อ่านี่ปวัตตะแปลว่าความเป็นไปความเป็นไปอย่างสืบเนื่องเรียกว่าปวัตตะเป็นชื่อของอะไรทุกขสัตว์กับสมุทัยศัตว์นั่นเองและนางก็ฟังนิวัตตะด้วยฟังนิวัตตะก็คือการทวนกลับทวนกลับนั้นเป็นชื่อของนิโรธและมักก็ฟังทั้งปวัตตะและนิวัตตะเสร็จแล้วก็ฟังว่าเออนี้ศีล น, นี้สมาธินี้ปัญญา นั่นเองเพราะฉะนั้นถูกแนะนําในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือแนะนําในเรื่องอริยสัจและอริยมรรคมาเป็นอย่างดีพอได้ฟังญาติปรึกษากันก็เลยเข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีและกราบทูลว่าขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค์โปรดตั้งพระทยัยสดับคําของลูกเจอลูกสาอย่างนี้เข้าไปเนี่ยพ่อแม่ก็ชักไม่ส น, นุกเงินเนอะบอกว่าพ่อฟังหน่อยเถอะว่างั้นเนี่ย เรบอกความประสงค์ของตัวเองให้พ่อแม่ฟังเลยว่าลูกยินดีอย่างยิ่งในนิพพานพบถึงแม้ว่าจะเป็นทิพย์ก็ไม่ยั่งยืนจะกล่าวไปลายถึงกามทั้งหลายซึ่งเป็นของว่างเปล่ามีความยินดีน้อยมีความขับแค้นมากก็ไปกล่าวถึงเนี่ยนะเขบอกว่ายะว่าแต่มนุษย์สมบัติที่กําลังสเสวยกันอยู่เลยแม้กระทั่งทิพย์เนี่ยนะ เกิดในสวรรค์ก็ยังไม่มีความเที่ยงไม่มีความมั่นคงไม่มีความยั่งยืนไม่มีความถาวร อ, อะไรเลยใช่ไหมเคยเกิดเป็นลูกเป็นมเหสีของทา้าวส ก, กะก็ยังต้องเคลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ไม่ได้มีความมั่นคงอะไรขนาดความสุขนีก็ยังไม่แน่นอนเพราะการมทั้งหลายเนี่ยเป็นของว่างเปล่าคำว่าว่างเปล่าก็คือไม่มีสาระกรรมทั้งหลายมีนิจจะสาระอยู่ในนั้นไหม ไม่มีนะมีสุขศาสาระไหมนะมันสนุกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีความสุขจริงๆอ่ะเพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอัตตสาระอยู่ในนั้นเลยเพรว่างเปล่ามีแต่ว่างเขาว่างั้นเขาก็พูดเหมือนกับไหเนี่ยนะเขบอกว่าไหเนี่ยเป็นไหเพราะ เ, าเหมือนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไหเนี่ยมันเพราะไอ้ตัวตัวภาชนะดินใช่ไหมหรือมันเฉพาะไอ้ว่างๆข้างในจึงเรียกว่าหายว่างั้น ถ้าหายมันว่างใชไมไม่มีอะไรอยู่ข้างในทีนี้ถ้าว่างๆเฉยๆเรียกว่าหายงั้นตีว่างทั่วไปก็เรียกหายหมดถ้าตรงทึบๆเป็นหายก็จะเอ๊ะที่ตู้อื่นก็ทึบน่าจะเรียกหายหมดนกามก็ลักษณะในโลกนี้ก็ลักษณะนั้นแหละมีเนี่ยนะขันเนี่ยมนะีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิ ภ, ภัมมีแต่คำว่าว่างก็คือไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นเลย ไม่มีความเที่ยงไม่มีความยั่งยืนไม่มีความถาวรอยู่ในนั้นเลยแต่สิ่งเหล่านั้นมีจริงนะเพราะว่ากามเหล่านี้มีความยินดีน้อยคำว่ายินดีน้อยก็คือเป็นของที่อร่อยไม่นานเนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนกับน้ำที่อยู่บนบนใบมีดคมๆเพราะว่างั้นเนี่ยนะหรือว่าสำนวนไทยจะใช้คาว่ามีดโกนอาบน้ำพึ่งเลียยังไงมันก็ไม่อิ่มนะ ขณะที่เล่ไปทีหนึ่งก็ได้แผลมาอันหนึ่งก็ได้ความหวานมันหน่อยปลาเล่มปลาเลมเมือนนะนะการทั้งหลายก็เป็นในลักษณะนั้นแหละคับแค้นมากการทั้งหลายเผ็ดร้อนเนี่ยนะเขาบอกว่าเผ็ดร้อนเนี่ยเผ็ดด้วยเผ็ดร้อนยังไงกามเนี่ยเผ็ดร้อนหนึ่งเผ็ดร้อนตั้งแต่สแสวงหาเมื่อสแสวงหานับว่าเผ็ดแล้วสองการรักษาก็เผ็ดอีกสามขณะบริโภคก็ เผ็ดร้อนเแล้วก็แล้วผลของของกามม น, นั้นเนี่ยเผ็ดร้อนอย่างนั้นอีกเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามใดๆก็จะได้เจตนากรรมทุกๆกรรมใชม่แล้ววิบากของของการไปยินดีเพลิดเพลินในกามเนี่ยให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เ น, น, นมเมื่อไปเกี่ยวข้องกับทุกๆอารมณ์เนี่ยเจตนาที่เกี่ยวข้องเป็นกุศลหรืออกุศลส่วนใหญ่อกุศลใช่ไหม อันนี้ข้าวถ้วยเดียวเนี่ยคิดจะให้ก็คิดจะบริโภคเองอะไรมากกว่ากินมากว่าแ ล, วแล้วกินก็ไม่ได้ปัจเจกด้วยเนะ <c oughs> มันกุศลจึงเกิดน้อยมากในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะแล้วเมื่อไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลแล้วผลของเขาไปเก็บไว้ไหน <c oughs> มันก็ทำเหตุใหม่อยู่ตลอดบอกว่ากามทั้งหลายนี้ก็เปรียบด้วยงูพิษ เนี่ยนะมันเป็นของน่ากลัวว่างั้นเถอะที่พวกคนเขาหมกอยู่พวกคนเขาเหล่านั้นแออัดกันในนรกว่างั้นคือถ้าหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นมากไม่เห็นโทษไม่เห็นภยัยไม่หาอุบายที่จะสลัดออกผลของสิ่งเหล่านั้นก็ไปสู่อบายนั่นแหละและจะต้องประสบทุกเดือดร้อนอยู่เป็นเวลาชาตินานนะถ้าไปโน่นแล้วก็โอกาสกลับว่ายากแล้ว พวกคนเข้าไม่สำรวมกายวาจาและใจเนยคือไม่มีสุจริตสามา ง, งั้นเถอะคนเข่าเนี่ยทำแต่ความชั่วพอกพูนแต่ความชั่วย่อมเศร้าโศกในอบายทุกเมื่อเนียทำเหตุที่ไม่ดีก็เป็นตัดใจแห่งความทุกข์ทั้งหลายพวกคนเข้าเหล่านั้นมีปัญญาสามนะท่านท่านกล่าวว่าคนเขาคำว่าคนเข้านี่หมายความว่าไงคนเข้าคือคนลักษณะไหน คนโง่นะโง่เป็นยังไงถึงเรียกว่าโง่แม่ตอบอย่างนี้แล้วฉลาดขึ้นหนเปล่านนี้ก็บอกว่าคนข่าวก็คือคนที่ตกอยู่ในห้วงอวิชางไงนะอวิชานี้ก็คือไม่รู้เท่าไหร่ความไม่รู้แปดอย่างเกิดขึ้นเมื่อไร่นั่นแหละเรียกว่าอวิชาเลยนะทุกเรื่องเลยนะเว้นขณะที่กุศลจิตเกิด นนั้นขณะใดาที่ไม่ปาราธรรมะแอย่างเลยนะไม่ปราบทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาไม่ปาราขันธะอ ร, ร, รยิยตนะที่เป็นอดีตไม่ปาราบขันธะอริยตนะที่เป็นอานาคตไม่ปาราไม่รู้ขันธ์ท่าทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทไม่เอาปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าขันธะอริยตนะมาไข่ครวญเมื่อไหร่ก็เรียกว่าอาวิชชานั่นก็เรียกว่าคนเคล า, อาพอเคลานั้นก็สามปัญญาใช่ไหมไม่มีความคิด ยินดีแล้วในทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเขายินดีในวัตถุ ก, การมซึ่งเป็นทุกขาริยสัตว์ใช่ไหมด้วยสมุทัยสัตว์เห็นไะเข้าไปยินดีไปเพลิดเพลินมันเขาเจริญสัจจะตลอดเลยไหนะแต่เป็นสัจจะที่ควรปริญญากับควรละนะกลับไปเจริญเรียกว่าปฏิบัติผิดกิจของอริยสัตว์ใช่ไหมทุกขาริยาสัตว์นี้ปริญญาปริญญากิจใช่ไหมเป็นกิจที่จะต้องไคร่ครวน สมุทยสัตว์ควรละอันนี้เจริญสมุทยสัตว์สแสวงหาความสุขจากทุกข์สัตว์เงี้ยตรงกันข้ามหมดเลยไม่ทํากิจของอริยสัตว์นะนะอันก็ยินดีในทุกขและเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือยินดีในสมุทัยนั่นเองไม่รู้สัจธรรมสี่ที่พระอริยะแสดงอยู่นะถ้าพระอริยะทั้งหลายก็จะประกาศอริยสัต์ใช่ไหมเสร็จแล้วพอฟังไม่เข้าใจอริยสัตว์ก็เลยไม่ได้ตรัสรู้อริยสัตว์ไม่จะไม่ได้ ขนาดที่ฟังก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอริยสัจไม่เข้าใจบางั้นพอฟังไม่เข้าใจเนี่ยจำกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติเนี่ยนะโหไม่มีผลอยู่แล้วทูลกระหม่อมแม่เจ้าขาว่างั้นคนเขลาเหล่าใดเมื่อไม่รู้สัจจะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแสดงไว้แล้วยังชื่นชมพบพอใจเกิดในหมู่เทพคนเขลาเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกนี้นนะ ก็บอกว่าคนข่าวที่ยังชื่นชมในภพอยู่ชื่นชมในภพคือชื่นชมในอะไรภพนี้เป็นชื่อของอะไรเอาสภาวะองค์ธรรมก่อนองค์ธรรมของภพได้แก่วิบากและกรรมมาสรุปเอาเราอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่ามนุษย์อยู่ตรงไห น, นหรือว่าที่เรานั่งเนี่ยเป็นมนุษย์สภูมิหรือเดริชานภูมินะนะ ก็ดูสิมแมลงก็อยู่แถวเนี่ยคแถวภูมิเนี่ยของใครกันแน่เพราะฉะนั้นวิบากกรรมชรูปเกิดจากอะไรนั่นแหละภูมินั้นแหละเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้คำว่าพบเนี่ยเน้นที่วิบากและกรรมาชรูปเนี่ยนะเพราะในตรงนี้เนี่ยเอาสมมติในคนคนเดียวเนี่ยนะมีเหาอยู่ด้วยถามว่าในคนคนนั้นเป็นภูมิไหนกันนี้หรือว่ามีพยาธิอย่างเงี้ยในคนคนนั้นเนี่ยภูมิไหน เราไม่หาภูมิอย่ากังนะคการนะถ้าตรวจเจอพญาิอย่างนี้ถามว่าเขาเป็นอยู่ในภูมิไหนเดรชานภูมิอยู่ในมนุษภูมิภูมิส้อนพบอ่นะเพราะฉะนั้นภูมิก็คืออันเดียวกันะภูมิกับพบอ่ะนะเพราะคาว่าพบก็คือเป็นชื่อของวิบากและกระตัตารูปหรือกรรมเชรูปนั่นเองเห็นไ พออย่างก็เหมือนกับข้าวปลาอาหารเนี่ยพอเรารับประทานขึ้นมามาเกี่ยวข้องกับวิบากกรรมมาชโลกเมื่อไหร่ก็เป็นของคนนั้นคนนั้นไปแล้วแล้วนางก็กล่าวต่อไปว่าความเกิดในหมู่เทพในภพที่ไม่เที่ยงเป็นสภาวะที่ไม่ยั่งยืนพวกคนเขาย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อการที่จะต้องเกิดบ่ายบ่ายถึงจะไปอยู่เทพแต่เทพก็ชีวิตเขาเที่ยงไหมไม่เที่ยง ถามว่าเมื่อบุคคลเนี่ยไปเสวยความสุขในเทพแล้วเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับศีลดีๆแล้วกุศลจิตเกิดบ่อยไหมเอาเนี่ยเราเข้าเราเข้าไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ใหญ่ในมหาสมาคมเลยอย่างเงี้ยนยะกุศลจิตเกิดไหมทุกคนแต่งตัวดีหมดเลยงามหมดเลยอาหารอร่อยหมดเสียงไพเราะเพลงมีด น, นตรีกระหึ่มอยู่ตลอดเนี่ยนะทานนะกุศลเกิดไหมถ้าทานนะกุศลเกิดยากแล้วศีลกุศลเนี่ยจะตุบปริสูทธิศีลเนี่นะ ถามว่าขณะโลภะเกิดทานศีลภาวนาไม่ขนาดนั้นไม่ใช่เพราะจิตก็เป็นไปกับโลภะถ้าส่วนใหญ่กุศลจิตก็ไม่เกิดเนี่ยนะเพราะคนเคขาก็เลยไม่สะดุ้งกลัวที่จะต้องเกิดบ่อยๆเนะี่ยเพราะตัณหาเข้าไปยินดีในสีเมื่อไหร่ก็เท่ากับสร้างนั่งอะไรนะเป็นเหตุแห่งตาแ ล, ล้วล่ะเป็นอุปนิสัยให้มีจกักขุยินดีในเสียง ก, ก, ยย ก, ก็เท่ากับยินดีในหูยินดีในกลิ่นเมื่อไหร่ก็เท่ากับยินดีในจมูก ถ้ายินดีในรถเมื่อไหร่ก็เท่ากับชอบล้นใหม่และนี่นะถ้ายินดีในโพธาภะนี่นะอุณหภูมิเออช่วงนี้ร้อนนะัทธดาพัดลมมาก็ดีนี่คิดไปใหม่ก็เท่ากับยินดีกายไปเรื่อยเรืยเรยเยินดีในการนึกคิดก็ยินดีจิตไปเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นถามมาที่สุดอยู่ที่ไหนเพราะศาทั้งหลายสุดทั่วไปนี่จะคิดว่าเออเมือ่อฉันไปเรื่อยๆแล้วก็สุดเองใช่ไหมเหมือกนกับกลุ่มได้เคยเห็นไหมเชือกที่เขาเอามาเล่นว่าอ่ะนะเขาก็เอามาพันพั น, พ น, พนใช่ไหม ถ้าโยนไปแล้วเดี๋ยวมันหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสุดเองพราะภูมิเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะสัตว์ทั้งหลายทั้งพานทั้งบัณฑิตเมื่ อ, อเมื่อครบกี่กับกี่กับแล้วจะบรรลุเหมือนกันหมดเป็นอย่างนั้นไหมจะเหมือนกับปมได้แบบนี้หรือเปล่าที่เหมือนกับเชือกที่เขาเล่นว่าวนะไปเรื่อยๆหรือเชือก ประยุกเลยมันหายเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถึงที่สุดแห่งทุกเองนะ <c oughs> เราคิดดูไหมว่าเอออายุมากขึ้นมากขึ้นคงบรรลุมั้ง <c oughs> เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพู ก, การได้ดีก่อนนะ <c oughs> แต่นี้ไม่ใช่นี่นะถ้าเกิดบ่อยๆแล้วบรรลุเนี่ยนะเอ๊ะใครมั่งเกิดไม่บ่อยมาง เราเกิดกันบ่อย ๆ, อยๆเกิดกันมามากอ่ะไม่ได้บรรลุเพราะเกิดบ่อยๆหรือไม่ได้บรรลุเพราะอยู่นานๆหรือไม่ใช่แต่บรรลุด้วยปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายจะ บ, บริสุทธิ์ด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยญานะด้วยศีลด้วยชีวิตอนุดมเป็นต้นนั่แหละจึงจะเกิดการตรัสรู้ธรรมได้ั้นถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อพบ ก, ก็ยากอะ่ะยินดีเมื่อไหร่ก็เท่ากับยินดียินดีกับอะไร สักอย่างหนึ่งก็เท่ากับยินดีในทุกถ้ายินดีในทุกพ้นทุกไหมถ้ายินดีในสมุทัยสัตว์เท่ากับเรายินดีทุกขษัตริย์ด้วยถ้ายินดีในนิโรศรเท่ากับยินดีมขษัตเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายย่อมได้อบายสกันโดยง่ายส่วนคติสองกันได้กันโดยลําบากเนี่ยนะเพราะไรเพาราะสัตว์ทั้งหลายทํากรรมประเภทไหนมากวันหนึง่งอันนี้นะตั้งแต่เชา้ามาเลยกายสุจริตกับ กายทุจริตไหนมากกว่ากันคำว่ากายสุจริตหรือกายทุจริตเนี่ยเป็นชื่อของอะไรก่อนที่เรียกว่าทุจริตเนี่ยเน้นอะไรเน้นชาวนะหรือเน้นเจตนาเจตนาในมโนทวารวิถีที่ทำให้เกิดการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นนี่เรียกว่ากายเมื่อกายเนี่ยมีอะไรเป็นสมุทฐานยกตัวอย่างที่เรานั่งเนี่ยนั่งด้วยจิตชนิดไหน อฟังทำโลภะได้เหรออ๋อ <c oughs> นะก็คืออย่างที่นั่งนั่งเนี่ยสมมติมว่าเราคิดถึงสีเนี่ยทําให้เกิดการนั่งได้ไหมได้คิดถึงเสียงทำให้เกิดการนั่งได้นะคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงโภธาภาคิดถึงธรรมารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ทั้งหกชาวนะที่รับอารมณ์ทั้งหกทาจิตชรูปทําให้เกิดการนั่ง เมื่อเกิดการนั่งเนี่ยชาวนาที่รับอารมณ์ทั้ง6เป็นกุศลหรืออกุศล น, นะผู้เชี่ยวชาญธรรมะก็บอกว่าถ้ามีโยนิโสก็เป็นกุศลถ้าอายโยนิโสก็เป็นอกุศลอย่างเงี้ยตอบหวานแหมไม่มีผิดสักอย่างอะนะเพราะถ้าคนที่จะวิเคราะห์ให้ละเอียดก็ต้องคิดมาว่าสีที่เขาคิดถึงเป็นสีอะไรก่อนเขาใส่ใจในสีที่เขาคิดถึงโดยสุภานิมิตหรือปฏิฆานิมิตอุเบคานิมิตหรือป่าเป็นปายใน กุศลธรรอย่างใดอย่างหนึ่งจิตอันนั้นที่เป็นไปกับการรับอารมณ์นั้นเนี่ยถ้าเป็นไปกับสุภาพนิมิตปฏิฆานิมิตและอุเบกขานิมิตชวนะเป็นอกุศลเมื่อเป็นอากุศลเนี่ยชวนะอันนั้นทําให้เกิดจิตตชรูปนั่งแสดงว่าที่นั่งนั้นนั่งด้วยกายยะทุจริตเนี่ยนะทุจริตสมก็เกิดนั่นะนะถ้าเขาพูดเวลาที่พูดเนี่ยนะจะมีอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเวลามาพูด แต่ละคําที่พูดออกไปเนี่ยจิตจะมีอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขณะที่มีสีเป็นอารมณ์ก็พูดได้มีเสียงเป็นอารมณ์ก็พูดได้มีกลิน่นมีรสมีโพธาลและมีธรรมอารมณ์ก็กล่าวออกไปได้อ่าถามว่าขณะที่รับอารมณ์ทั้ง6เหล่านั้นน่ะถืออารมณ์6นั้นโดยนิมิตใ ด, ดถ้ารับโดยสุภานิมิตคําที่พูดออกไปก็เป็นวจีทุจริต ถ้าคำที่คิดออกมาเป็นปฏิฆานิมิตคำพูดออกไปก็เป็นคำหยาบ ถ, ถ้ากำลังรับปฏิฆานิมิตอยู่นะแล้วคำพูดที่พูดออกไปเรียกว่าพุสวาราหมดเลยนะเรียกว่าพฤสวาราเพราะพุสวาราเกิดจากโทสะเห็นะถึงฟังคำพูดน้ำเสียงเรียบธรรมดาหมดแต่คำพูดนั้นเรียกว่าคำหยาบหมดเลยเห็นไหมพระนะานาคามีจึงจะละพลุสวาาได้ เพราะพระนาคามีไม่มีโทสะพระโสราบันพระสะกท า, าคามียังรับผู้สวาจามไม่ได้แต่ไม่ได้ล่วงกรรมบทที่ที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิอะไรเนี่ยนะแต่ว่าถ้าพูดด้วยโทสะเมื่อไหร่เนี่ยนะพูดด้วยความโศกเศร้าเสียใจยเป็นต้นเมื่อไหร่ก็เรียกว่าผู้สวาจามหมดนะําหยาบเพราะจิตหยาบโดยส่วนเดียวอันนะัเอาไปหลับให้สบายอย่างเงี้ยหยาบไหมคือเอาไปฆ่าเนี่ยนะ แต่ว่าคําบางคําเนี่ยนะสัมมวนชาวบ้านบางคนพูดเนี่ยนะใช้คำหยาบมากเลยนะแต่ความหมายดีเช่นเขาเรียกว่าเอาอาหารไปให้นะถ้าชาวเมืองเราจะพูดว่าเอาอาหารไปให้คนนั้นรับประทานหน่อยนะแต่ถ้าชาวบางชาวเขาไม่ใช้ศัพท์นี้นะใช้ศัพท์ที่เรียกว่า <c oughs> อ, อย่าไปคิดเลยเขบอกว่าคิดแลย้ยังไม่ใช่กุศลเลยนะ <c oughs> นั่นแหะเขาใช้ศัพท์แบบนั้นแต่อันนั้นเป็นกุศลนะ เขาพูดด้วยจิตที่บริสุทธิ์ใจจริงๆแต่การพื้นเพในการใช้ศัพท์มาเนี่ยเหมือนกับหยาบเห็นเพราะฉะนั้นคำพูดแต่ละคำที่พูดออกไปเนี่ยดูว่าเขาถืออารมณ์หกโดยนิมิตใ ด, ดแล้วเปล่งวาจาออกมานะว่าเป็นสุจริตหรือทุจริตอันนี้เป็นวจีกรรมเนีย่ยนะก็ก็เป็นไปในลักษณะนี้ตลอดนี่เราทำกรรมอะไรมากอะ่ะใช่ไหม เอาน้าอ่าคือคําพูดอ่ะน้ําเสียงเนี่ยใช่เสียงเสียงเป็นเป็นกุศลหรือไกุศลก่อนอ่าเสียงเป็นอัพยกาการตมันเน้นสมุดฐานที่ทําให้เกิดเสียงเป็นเป็นประมาณอ่านะเรียกที่เรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารหรืออเนชชาพิสังขารหรือกายกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเน้นที่ชาวนะที่เจตนาที่ทําให้เกิด กายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมเหล่านั้นเป็นประมาณไม่ได้เอาเนื้อความที่พูดออกไปเป็นประมาณเนี่ยนะบางคนก็นสามารถใช้ประพันธ์สับแสงอย่างยกตัวอย่างเช่นคนจะหลอกลวงกันใช่ไหมจะรูดกระเป๋าเนี่ยไปคุยแต่ดีเลยอย่างเงี้ยไปตีสนิทแต่ว่าเขากำลังทำอะไรน น, นั่นก็คือกำลังจะทำสิบแปดมงกุฎอยู่อย่างนั้นนะทั้นถ้อยคาต่างๆเนี่ยนะจึงเอาเป็นประมาณมากไม่ได้เพราะเป็น เป็นอะไรเป็นอวินิพค ร, รูปเท่านั้นเองอวินิโพค ร, รูปก็คือเคลื่อนเสียงเท่านั้นเองซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานจิตอันนั้นอะ่ะคืออะไรอะ่ะนะเอาตรงนั้นเป็นประมาณตรงนี้ น, น, าน่าสนใจมากผมว่าเรารักษาสีนี่นะครับเราเพียงแต่รักษากายวาจาเนี่ยให้ให้ให ให้ดีบางทงให้สุจริตเนี่ยเราเพียงรักษาไม่ให้เกิดทุจริตแต่จิตขนาดนั้นจิตทุจริตอยู่แล้วนะจิตหยาบสมมติจิตหยา บ, มมตยาบแต่ก็ไม่ล่วงมาใช่หมายความว่านั่นเป็นเรื่องของเรื่องของศีลใช่ไหมครับคือถ้าจิตหยาบถึงกับไม่ล่วงละเมิดออกมาก็มีกุศลศีลมาขั้นบ้างเท่านั้นเอง หมายความว่าขณะที่จิตหยาบนั้นแต่เราสามารถที่ล่วงเพราะต้องการที่จะรักษาศีลต้องการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิดแต่จิตก็เป็นอกุศลอยู่แต่ก็ไม่ล่วงเป็นวัชิทุจริตอย่างใดอย่างหนึง่งจึงแยกจึงแยกเป็นขณนะขณะไปไงจึงแยกอย่างสมมุติว่าตามหลักคําธรรมะของเราเนี่ยพูดเนี่ยนะมาแยกเป็นคำๆนะไม่ได้พูดแบบรวมๆเลยแต่ไม่พูดเนี่ยครับ คือว่าไม่ไม่ไม่กล่าวนะะไม่กล่าวก็เป็นไก่ไม่เป็นก่ยังเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าถ้ากล่าวเมื่อไหร่นะออกไปตอนเนี้ยทุจริตแน่นะต้องเป็นไม่พูดคำหยาบหรือไม่ก็เป็นผู้ย่างทุจริตนี่นะแล้วก็วิลัตซะไม่กล่าวอแต่จิตก็ยังเป็นอกุศลอยู่ก็ขณะที่ถือว่ายังมีศีลไหมครับก็จึงแยกไงว่าของเราจึงแยกอารมณ์มาก ขณะที่ชาวนาจิตกําลังรับอารมณ์เพื่อที่จะไม่กล่าวเนี่ยนะเห็นโทษของการกล่าวอันนั้นเนี่ยในขณะนั้นเป็นกุศลศีลใช่ไหมเพราะขณะนั้นมีวิรัติขึ้นแต่พอเปลี่ยนอารมณ์พับนะไปคิดแล้วอกุศนมันเกิดเหมือนเดิมอะ่ะคนละตอนกันก็เรียกว่าใช้ว่าคนละวิถีแล้วหรือรับคนละอารมณ์แล้วหลังกุศลศีลก็เกิดช่วงช่วงนั้นอ่ะ น, นะที่รักษาทาง ว่าจะแต่เป็นมโนทุจริตหลังจากนั้นก็เป็นมโนทุจริตต่อไปแต่ถ้าเกิดการขยับตัวเมื่อไหร่ด้วยกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นเป็นกายะทุจริตเนี่ยนะถ้าทุจริตเหล่านี้เกิดขึ้นแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยสุจริตไม่บริบูรณ์สติปัญญาเกิดต่อไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าอุปนิสัยของสติปัญญาถูกตัดแล้วในขณะนั้นนั้นเนี่ยนะอ้าสีละเอียดมากนะครับ แสดงว่าศีลเป็นเรื่องใหญ่ที่รูว่าท่านจะมาเริ่มเมื่อไหร่ครับเนี่ยไม่นะมันเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าคือเลี้ยงพูดกันง่ายๆก็คฟังปีหน้ามั้งเอาจริงๆนะครับเพราะหน่าสนใจด้วย<ช> น, ะนะประการที่รักษาศีลกล่าวไว้ง่ายเนี่ยนะเพราะถามว่าขณะที่โลภเกิดเนี่ยเป็นศีลไหมเอางี้แล<ม>้วก็าถามวิธีง่ายๆก่อน<ม>เอาสมมุติว่าอ่านะออมาเป็นผ้าหนุ่มเนี้ยกาลังนั่งคิดถึงสาวอยู่อย่างเงี้ยอ ถามว่าเป็นศีลไหมโดยคิดด้วยโลภะเนี่ยเป็นศีลไม่ขนาดนั้นไม่เป็นศีลแต่ก็ไม่ผิดศีลแต่ก็อาจจะปิดผิดศีลในข้ออินทรีสังวรมีไหมเจตสิกศีลอันน่ะปาติโมกข์สังวรเนี่ยไม่ละเมิดจริงขนาดนั้นอินทรีสังวรมีไหมไม่มีแมลงวันกําลังตอมหึงเลยขนาดนั้นน่ะอันนั้นอกุศนวิตกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนปลญมเคนคาวอย่างนั้นกำลังปล่อยกลิ่นเมนคาวฆาคลุ้งอยู่ขณะที่อกุศลและชาวนะกําลังเกิดขึ้นไม่ถือว่ามีศีลไหมครับ อินทรียสังวรศีลไม่มีไม่มีไม่มีศีลใช่ไหมไม่มีศีลนขณะนั้นอินทรีย์สังวรศีลไม่มีแล้วค่นะแล้วศีลเบื้องต้นนะครับเจตสิกเจเจเจตนาเป็นศีลมีไหมครับเจตนาก็ต้องเป็นเจตนาที่เว้นจากทุจริตเนี่ยนะก็ตอนนั้นท่านกําลังเือดถึงสาวอยู่อ่ะอ้าวก็ไม่มีทิ่เจตนาศีลก็ไม่เกิดศีลเป็นกุศลเรื่อกุศลก่อนศีลเป็นกุศลเอาเป็นกุศลในขณะที่กําลังถือสุภานิมิตอยู่อ ขณะนั้นชาวนะเป็นอกุศลครับจึงไม่ใช่ศีลแต่ก็ไม่ทุจริตออกมาเป็นมนุษทุจริตรขณะนั้นเพราะไม่มีมนินทรีย์สังวร น, นะอินทรีย์สังวรไม่ได้เพราะในวิสุทธิมรรคท่านจึงกล่าวว่าปาติโมก ข, ของบุคคล น, นั้นก็เหมือนกับาปาติโมก็เหมือนกับ น, นาใช่ไหมนาข้าวมนินทรียสังวรไม่เกิดก็เหมือนกับไม่มีรู้ว เพราะ ง, งั้น่ยชาวนะขณะนั้นไม่มีศีลเลยชาวนะขณะนั้นกุศลศีลไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของกุศลวิตกพระองค์จึงสอนต่อมาตามลําดับว่าเมื่อศีลอย่างนี้เธอรักษาศีลอันเป็นอริยะไม่มีโทษอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อเธอรักษาศีลที่เป็นอริยะไม่มีโทษนะตั้งแต่กายกรรมวิจีกรรมและอาชีพไม่มีโทษอย่างนี้แล้วเธอก็มีอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะ เมื่อมีอินทรีย์สังวร อ, อันเป็นอริยแล้วก็มีสัมปชัญญะอันเป็นอริยะไม่ว่าจะก้าวไปถอยกลับจะแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกเป็นต้นก็สัมปชัญญะสีเข้าไปฝึกทุกอาการนั้นๆไปนี่นะเฉะั้นผู้ที่ฝ่ายที่จะพ้นทุกจริงๆนั้นเข้าจึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆเขาจึงจะแทงตลอดอริยาศาสตร์ได้ ถ้าอย่างนั้นคารวะาก็ไม่มีศีลทีละครับเพราะว่าจิตโดยมากเป็นอกุศลมุ่จะซื้อถือศีลห้าหรือศีลแปดนะครับโดยมากนะฮะคารวะยึดยุ่งอยู่กับเรื่องกิจ ก, ก, การงานทำมาหากินเนี่ยโดยมากไม่เป็นโลภะก็โทสะไม่โทส ะ, โทษษะก็โมหะ<ก>แล้ ว, ข, าวานขนาดนั้นเนี่ยคับแคบอยู่แล้วในการเจริญกุศลจย่งจริงถ้าจะคิดให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องก็ยาก พระภิกษุถ้ามีปริพศเนี่ยนะก็ยังเจริญส ม, มถะกรรมาฐานยากเลยเช่นพระภิกษุที่ปริโภน์ในการก่อสร้างพระภิกษุที่ปริโภน์ในการศึกษาเล่าเรียนภิกษุที่ปริโภน์ในที่อยู่ที่อาศัยปริโภน์ในวงสาคนาญาตเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เจริญชานไม่ได้นีนิวร อ, อย่างใดอย่างหนึ่งเล่นงานแล้วก็เจริญชานไม่ได้เพราะขณะจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยนะเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ใช่กุศ ล, ลธรรมโดยประการทั้งปวง ทานกุศลก็ไม่ได้ศีลกกุศลก็ไม่ได้ภาวนากุศลก็ไม่ได้สรุปแล้วไม่ได้ดีสักอย่างมีแต่สมุทัยสับล้นล้วนกนลาลังเกิดในขณะนั้นแต่ก็มาเปรียบเทียบกับคารวะที่แม้แต่มีอกุศลแต่ก็เขาสามารถที่จะวิรัติไม่ล่วงออกมานะกับอีกคนหนึ่งนะครับเขาล่วงนะต่างกันแนละ้วถูกไหมแสดงว่าเรามีศีลเฉพาะช่วงที่วิรัติเท่านั้นเอง ที่เจตนาที่จะวิรัติเท่านั้นนิดเดียวขนาดนะเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยนะวิรตีศีลจะเกิดได้อย่างไรหนึ่งเกิดโดยสมาทานแล้ววันหนึ่งเราตั้งใจสมาทานกี่ครั้งก็เท่าะว่าขณะนาะสมาทานนั่นแหละได้ศีลแล้วอสองขณะที่สามปตะขณะที่งดเว้นกำลังงดเว้นนิดเดียวก็เป็นถ้าบังเอิญวันนั้นมาถึงงดเว้นเลยเลยเพราะไม่มีที่สิ่งที่ให้ล่วงเพราะฉนั้นอุโบสถจึงมีสามไงเนี่ยอย่างยกวันนี้วันอุโบสถนะแม่ที่พันมสีขาวใช่เลย วันอุโบสถเนี่ยนะมันจึงมีอุโบสถอยู่3ามในผู้ศาสนามีอุโบสถอยู่2อย่างหโคปาลกาอุโบสถกับอริยะอุโบสถโคปาลกาอุโบสถก็คืออุโบสถแบบคนเลี้ยงโคะนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสไปเรื่อยไปกินตรงนั้นอาหารตรงนี้อร่อยก็คิดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสอุโบสถแบบนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงมากกับอริยะอุโบสถซึ่งสมาทานอุโบสถแล้วเจริญกุศลธละทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการเจริญพุทธคุณเป็นต้นหรือการฟังธรรมเป็นต้นอุโบสถแบบนั้นจึงเป็นอริยะอุโบสถเนี่ยนะอุโบสถอย่างนี้จึงจะมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากแล้วน้อมไปเพื่อเกิดในภพใดก็สําเร็จแต่อุโบสถที่ว่าสมาทานกันไปเรื่อยเฉยเเนี่ยก็ข้มาไม่รู้าจะให้ผลเป็นยังไงเนี่ยเรื่องอริุศทรกะอกุศลที่มันสลับกันเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เป็นวิชาที่ยังเรียนยังไม่จบเลยศาสตร์อันนี้นะเป็นศาสตร์ที่ยังสงสัยอยู่ตั้งหลายเรื่องเลยว่าอย่างเช่น คนบางคนเนี่ยพูดดีๆเป็นขนาดหนึ่งนะแต่อีกขนาดหนึ่งโห ด, ด่าปะปะปะวาเอกมนดีๆอย่างเงี้ยแล้วกรรมจะให้ผลยังไงเนี่ยยังวิชานี้ยังคิดไม่เคยตกเลยคือมันความวิจิตของกรรมอะนะว่าเอ๊แบบุญไหนจะให้ผลกันแน่แต่ก็มีในคัมภีร์นะในในเปรตตะวัตโถเนี่ยกล่าวถึงภิกษุบางรูปกายกรรมท่านดีมากเลยองค์นี้โอแต่วิจีกรรมเนี่สุดยอดเหมือนกันก็ดาย่างเดียว ให้เขบอกว่าแล้วไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยผิวเหมือนทองปากเหมือนปากเนี่ยมีนอนช้อนชัยอ่ะแล้วก็เออกรรมมันก็วิจิตเหมือนกันมีบางองค์เนี่ยโทษที่ไปส่อเสียดเนี่ยนะทางกายรักษาศีลไว้เป็นอย่างดีอะ่ะโทษที่ไปส่อเสียดปากเหมือนหมูหัวเนี่ยปากเนี่ยเหมือนหมูแล้วมีนอนช้อนชัยเฟะไปหมดเลยแล้เปรตอย่างนี้ก็มีอยู่แต่กรรมมันวิจิตจริงๆไนงะ เอาปีหน้าอย่างนี้ดีไหมครับท่านครับปีหน้านะเปิดเทอมใหม่นี่นะเอาวิสุทธิมรรคเอาสีรัตนเทศมามาว่ากันเลยงงเป็นเรื่องเป็นราวไห ม, <c oughs> มะเดี๋ยวซื้อหนังสือมาคนละเล่มเลยเอางั้นเลยเนา ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวค่อยไหว้พิงกันนะจะ เ, <c oughs> เ, เอาเรื่องศีลจริงๆแล้วเนาะนะศีลเป็นเบื้องต้นเป็นประธานเป็นปากเป็นเรียกว่ารองรับภูมศรธรรมชั้นสูงทั้งหมดเลยนะ พนางสุเมฐานีวันนี้ไม่จบแน่อีกสามวันก็จบหรือเปล่าไม่รู้ต่ไปว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมได้อบายสี่กันง่ายส่วนคติสองได้กันโดยลำบากเราสัตว์ที่เข้าถึงอบายในนรกไม่มีการบวชนะเพคะ่าะกันก็คือสรุปว่าจะขอบวชว่า ง, งั้นแต่งงานนี่ไม่แต่งแล้วนะจะแต่งงานเนี่ยไม่แต่ง เพราะว่าอบายสี่เนี่ยไปกันง่ายเหลือเกินคติสองเนี่ยได้ลําบากเพราะเวลาไปถึงอบายแล้วไม่มีการบวชนะนรกเนี่ยไม่มีเวลาคิดบวชน้อกเหมือนกันไม่ต้องรอในรกนะลองเจ็บป่วยก็ปวดก็แปดยกแขนแขนก็เจ็บยกขาขาก็เจ็บเนี่ยนะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่กิจการงานก็เข้าประดังประเดเข้ามาในจิตขณะนั้นคิดบวชมีไหม ย, ยากเพราะว่าอบายเนี่ยทุกกว่านั้นหลายสิเท่าเพรา ะ, ะนั้นคิดบวชไม่มีเหมือนน ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค์ทรงอนุญาตให้ลูกบวชในพระธรรมวินัยของพระทศพลเถิดลูกจกขวนขวายน้อยภาพเพียรเพื่อละชาตและมรณะแบบั้นจะขวนขวายในเรื่องอื่นน้อยๆแต่จะภาพ เ, เพียรในการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพื่อละชาติชารามรณะอันนี้กล่าวถึงผลอะไรเป็นเหตุแห่งชารามรณะ อะไรเป็นเหตุแห่งชาติพบนะก็คือเพื่อที่อะไรเป็นเหตุแ <spe ak> ห่ง <spe ak> พบอุปาทานอะไรเป็นเหตุแ <spe ak> ห่งอุปาทานตันหาเพราะฉะนั้นก็บวชเพื่อละตันหาละอุปาทานละพบเ <spe ak> <spe ak> มื่อชาติตันหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีเมื่ออุปาทานไม่มีพบก็ไม่มีเมื่อพบไม่มีชาติจักมีแต่ไหนชราและมรณะจักมีแต่ไหน เพราะนั้นท่านกล่าวถึงผลคือต้องการพ้นจากชราและมรณะแต่หมายถึงการปฏิบัติเพื่อละเหตุแห่งชราและมรณะเนี่ยนะกายที่มีโทษคือกายที่ไรสาระซึ่งคนเขาชื่นชมกันหนักหนาจะมีประโยชน์อะไรในภพขอทั้งสองพระองค์ทรงอนุญาตเถิดลูกจากบวชเพื่อดับภาวะตันหานะเพื่อดับเหตุแห่งภพอ่ะตันหาที่ยินดีในภพเนี่ยนะ ลูกจะบวชแล้วก็จะตัดตันหาอันนี้สนะความอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายลูกได้แล้วเหไว่าโอ้ยสร้างบุญมามากนะกว่าจะได้เกิดทันยุคพระพุทธเจ้าของเราถ้าแน่จริงเราก็เกิดทันน่ะนะแม้นะเกือบทันเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เกือบทันนะห่างสองพันกเปียอันนะเอา้าถ้าเทียบสังสารวัตรที่มนุษย์อายุเป็นหลา ย, ลายพันล้านโกรล้านปีเนี่ยนี่ระับว่าเฉียดเียนะนะ เรียว่านับอยู่ในพุทธบาทการเหมือนกันนะในยุคนี้อยู่ในพุทธบาทการเหมือนกันไม่สายเลยนะเพียงแต่ว่ารับคำนะไม่สายนะรับคำเลยรับคำนะพอรบคำนะทางงานตอนเรียกว่ากิจตอนนี้ถ้าไม่เสร็จนี่แย่แล้ว <c oughs> มืดอีกยาวเขาบอกว่าอัคคณะลูกก็เว้นแล้วอัคขณะคือไม่ใช่เวลาขณะที่ไม่ใช่เวลาคืออะไรคือ ขณะที่พระผู้มีพระภาคผู้ท้าทายโคตอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอุบัติเกิดขึ้นในโลกอะ่ะอีท่าตถาคโตโลเกอุ ป, ปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแหละเสร็จเราไปเกิดในนรกเนี่ยเชื่อว่ามีขนาดไหมนี่นะนี่ไม่ใช่ขนาดหนึ่งละสองพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกอย่างเนี้ยเราไปเกิดเป็นเปรตก็ไม่ใช่ขนาดหรือถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะ ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นปลาเป็นนอนเป็นกุ้งเป็นปูเป็นไก่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ขนาแล้วหรือไปเกิดเป็นอสัญญาศาสตาพรมก็ไม่ใช่ขณะอีกหรือไปเกิดในอรูปประพรมก็ไม่ใช่ขนาดเอกพระพุทธเจ้าเกิดในโลกเยิ่งแต่เราไปเกิดเป็นอสัญญาศาสหรือไปเกิดในอรูปประพรมก็ไม่ใช่ขนาดพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเรานั้นไปเกิดเป็นคนพิการตาบอดหูหนวกในงานต่างอย่ายังไง หรือว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแต่ไปเกิดเป็นพวกมิละขะเนี่ยนะเกิดเป็นพวกชาวดงชาวดอยชาวป่าชาวเขาที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งพุทธบริษัทสี่ไปไม่ถึงเลยพอที่จะให้เขาได้ยินได้ฟังพระธรรมบ้างเนี่ยนะนะหรือมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ชาวเมืองแต่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคน ปัญญาอ่อนอนันนะีอันนี้ใช่ขณะไหมอันนี้ขณะก็ไม่ใช่อีกหรือว่าเราได้ดีมาทุกอย่างมีสติมีปัญญาเกิดมาในยุคพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมพรุทธเจ้ามีอยู่เราก็มีปัญญาอยู่แต่พระองค์ไม่แสดงธรรมอะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ขณะอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขณะมีอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วเราเป็นมนุษย์ใน มัชฌิมชนบทเนี่ยนะเป็นคนมีสติมีปัญญาไม่บ้าใ บ, าบา้บอดหนวดพอที่จะฟังรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลแล้วก็มีศรัทธาพระองค์ก็แสดงเราได้ยินได้ฟังอย่างง่ายจริงเรียกว่าขณะเพรา ะ, ะขณะเหล่านี้เนี่ยได้โดยยากกว่านั้นแต่พะฉั้นคนที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ล่วงเลยไปก็ไปยัดเยียดอยู่ในอบายเป็นอันมากแล้วเพราะฉนั้นขณะเหล่านี้เนี่ยกว่าจะได้เนี่ยรอบสองไม่ใช่ของง่ายนะวันนี้นั่งรถมาผู้การมาบ ชาก็บอกว่าก so, like, ็ลองดูวันนี้ทําไมได้พุ่งนี้ก็คล้ายๆกันนั่นแหละบอกชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าก็คล้ายๆกันอีกนั่นแหละดุการเขาว่างันนั่นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขณะลูกได้แล้วลูกจะไม่ทําลายศีลเนี่ยนะลูกจะไม่ทําลายจตุปาริสุทีศีลและศาสนพรมจันทร์จนตลอดชีวิตเนี่ยนะก็คือจะรักษาจตุปาริสุทธิศีลเป็นอย่างดีแล้วยินดีในศาสนาคาสอนของพระ菩萨ดาจนตลอดชีวิต เจ้าหญิงสุเมธากราบทูลพระชนกชนนีอย่างนี้ว่าตราบใดที่ลูกยังเป็นเครือขัดจักไม่ยอมรับประทานอาหารถึงจะตายก็ยอมโอ้โหใจเด็ดมากนะงานนี้เนี่ยถ้าไม่บวชถ้าบวชชากันนี้ก็แต่งงานอะ่ะเอาไงเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ก็ต้องอดข้าวประท้วงอย่างเดียวนี่นะใช้สูตรเดียวกับพระัฐบาลพระัฐบาลก็อดข้าวประท้วงบวชนะพระสุทินก็อดข้าวประท้วงบวชเหมือนกันแต่จบไม่เหมือนกันนะรัฐบาลเป็นพระรหรัน พระสุทินเป็นปราชิตคนละอย่างกันทีนี้ต่อไปว่าพระชนนีของพระนางสุเมทานั้นเป็นทุกข์เนี่ยนะคล้ายๆกับว่ารับมั่นรับหมายกันแล้วมันเป็นระดับมหากษัตัย์ด้วยนะรับมั่นรับหมายกันว่าจะยกเรียกว่ากําหนดวันแต่งงานก็ถึงแล้วอะ่ะลูกนั้นไม่บวชอย่างเงี้ยนะแล้วพ่อแม่เนี่ยโหจะขนาดไหนเนี่ยแม่เนี่ยทุกเลยนะการแสงร้องไห้เลยอะ่ะพระชนกของพระนาง พระราชาเนี่ยพระเจ้าโกนจ่าเนี่ยมีพระพักนองไปด้วยอัศวชนเนี่ยนะลูกก็เป็นลูกแบบมารักลูกมากอ่ะนะแล้วลูกดันมาบิดแอกจับจะบวชเฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็นัดวันจะเกีก่ยวกับประชุมญาติหมดแล้วจะยกให้เป็นมเหสีอีกเมืองหนึ่งแล้วอ่ะลูกไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยเนี่นยนะมาถึงแล้วลูกก็พูดเอาพูดเอาอย่างเงี้ย น, น้ำตาไลหลเลยพ่อนะเพราะฉะนั้นทั้งสองพระ อ, องค์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมพระนางสุเมทานั้น อมองนะใครเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนสุดยอดเลยเนาะกาจะพิมพ์แล้วนหนนะกาจะพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วบาคนแจกไปแล้วยื้อเลยนะเสร็จแล้วพอเปียกล่อมนางก็ฟุบลงที่พื้นดินณปาศาสตทนะพอพูดไปไงก็ฟุบลงอ่ะนะทีนี้พ่อแม่ก็พูดขึ้นว่าลูกลุกขึ้นเถอะลูกรักว่างั้นจะเศร้าโศกไปทาไม พ่อแม่ได้ยกลูกให้พระเจ้าอานิกรัตผู้ทรงสง่างามในพระนครวาราณวดีแล้วว่า ง, งั้นไม่ต้องเสียใจหรอกว่า ง, งั้นสรุปแล้วก็เป็นมเหสีแล้วล่ะว่า ง, งั้นลูกจะเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าอานิกรัตศีลพรหมจันทร์บรรพรชาทำได้ยากนะลูกรักว่า ง, งั้นบวชมันยากนะศีลเนี่ยรักษาก็ยากว่างั้นแต่พรหมจันทร์ปฏิบัติก็ยากบวชก็ทําได้ยากนะลูกว่างั้นแต่เป็นมเหสีเถอว่านั้น อำนาจในแว่นแควนของพระเจ้าอนิกรัตทรับความเป็นใหญ่โพคะสุกในราชสกุลนี้ถ้าลูกปรารถนาแล้วก็จะอยู่ในเงื้อมมือของลูกว่า ง, งั้นเถอะลูกก็จะเป็นใหญ่สองเมืองเลยใช่ไหมเมืองของพระราชสามีด้วยหรือเมืองนี้ถ้าลูกอยากเป็นใหญ่ก็ไม่ยากว่า ง, งั้นลูกก็จะได้เป็นใหญ่ว่า ง, งั้นลูกจะเอาอะไรล่ะว่า ง, งั้นลูกก็ยังเป็นสาวจงบริโภคกามทั้งหลายเถิดลูกจงวิวาหะเสถิลูก ลำดับนั้นเจ้ายิงสุเมธากราบทูลพระชนกชนนีนั้นอย่างนี้ว่าอำนาจเป็นต้นเช่นนั้นจงอย่ามีเลยเพราะพบหาสาระไม่ได้เนี่ยนะนางเนี่ยคิดแต่เรื่องกรรมเรื่องวิบัติกดแทงกรรมอย่างเดียวเลยนะเรื่องสังสารวัตอย่างเดียวเลยเพราะแม่ก็ไม่ได้คิดยาวอะไรนะคิดจะเออเป็นใหญ่ในเป็นครองบ้านครองเมืองไม่กี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นพบเนี่ย หาสาระไม่ได้ลูกขอบวชหรือตายเท่านั้นฉพะนั้นพบนี้ไม่มีสาระสักอย่างถ้าไม่ให้บวชก็ตายว่างั้นลูกจะไม่ยอมมิวาแน่นอนแล้วก็กล่าวต่อไปว่ากายที่เปื่อยเน่าเหมือนหมูนอนไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปหน้าสะเพรงกลัวเป็นดุจทุงหนังบรรจุศก เต็มไปด้วยของไม่สะอาดไหลออกอยู่เนืองๆซึ่งคนเขายึดถืออยู่โอ้นางนี่เจริญไอ้กายยัตาสติ ม, มากนะถ้าอย่างนี้ลูกรู้อยู่ว่าร่างกายนั้นปฏิกูลเหมือนหมูนอนนะถ้าเราท้องอืดกับ น, นอนเนี่ยต่างกันตรงไหนนะไม่น่าต่างกันนักเนาะถูกฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่อยู่ของหมูนอนเป็นเหยื่อของแรงกา ทำไมทูลกอมหม่อมจึงพระราชทานซากศพแก่พระราชาพระองค์นั้นไลยนะตำหนิพ่อใหญ่เลยนะทําไมพ่อเนี่ยยกศพไปให้เขาล่ะมังงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูด อ, อย่างนี้นึกถึงพระราชาองค์หนึ่ง<น>ลูกพระราชาองค์นี้เนี่ยมีมีลูกชายใช่ไหมพระราชโอรสเนี่ยไม่ยอมแต่งงานพอไม่ยอมแต่งงานเนี่ทนนยทําไงนะลูกจะแต่งงาน ก็เลยให้คนเนี่ยปั้นทองคําเป็นรูปผู้หญิงขึ้นมารูปหนึ่งทีนี้เอ๊ะรูปนี้เจ้าชายนี่ไปดูเออถูกใจถูกใจก็บอกถ้าได้หญิงเช่นนี้จึงจะแต่งงานว่า ง, งั้นถ้าไม่ได้ไม่แต่งทีนี้ก็พวกอํามาดก็เอารูปทองเนี่ยไปเที่ยวตามเมืองต่างๆไปดูที่เจ้าหญิงเมืองไหนที่มันงามเหมือนรูปแบบนี้บ้างก็ไปดูได้เมืองหนึ่งก็เจอแล้วก็เอาทองนั่นแหละเป็นทองเท่าคนนั่นแหละมั่นเลยพอมั่นแล้วเจ้าชายรู้ว่ามีคนงามขนาดนั้นดีใจใหญ่เลย บอกรีบเอามารีบรามาครว่างนะทางโน้นก็รีบจัดเนี่ยนะเพราะว่าทางทางพระราชาเนี่ยเมืองใหญ่นี่ใช่ไหมกษัตริย์เมืองเล็กก็ต้องรีบส่งเจ้าสาวมาทีนี้ความที่เจ้าสาวเนี่ยไม่เคยตรําแดดตรําฝนมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ให้ขี่รถมาด้วยแล้วรถเนี่ยรถสมัยก่อนรถม้านี่ใช่ไหมทางก็ไม่ได้เรียบนักรีบมาใหญ่เลยก็ตายระหว่างทางอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> โอ้รถนี่เศร้าใจน่าดูเลยนะ แลตอนหลังก็บวชและเป็นพระปเจกกับพุทธเจ้าทีนี้คล้ายๆแบบนี้หรือมั้ง่างนั้นทำไมทูลก็หม่อมจึงพระราชทานซากศพแก่พระราชาพระองค์นั้นอ่างนั้ น, น, นไม่ช้าร่างกายที่ปราศจากวิญญาณถูกโมย่าซึ่งพากันเกลียดชังทอดทิ้งไปเหมือนท่อนไม้ที่เขาพากันนำไปทิ้งในป่าชา้าหน ไม่นานเนาะว่า ง, งันเถอะอาจิรังวัตยังกาโย ο, ปะเถววิงอธิเสสติจุฑัวเปตวิญญาโนนิราทั่งวกะลิงคารังเนี่ยนะว่างั้นไม่ช้าไม่นานร่างกายนี้ก็จะเป็นปราจากวิญญาณว่างันพวกญาติทั้งหลายก็เกลียดชังร่างกายอ น, นั้นใช่ไหมเหมือนกับท่อนไม้นี่ยแหละไปทิ้งไว้ในป่าชาถ้าตายไปแล้วเนี่ยในขณะที่เอาศพไปป่าชาก็บอกมารดาบิดาของตนยังเกลียดชังพากันเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆ ในป่าชา้ากลับมาก็จะต้องอาบน้ำดำกล่าวขณะที่ไปส่งศพนี่กลับมารีบอาบน้ำเลยนะจะกล่าวไปยัยถึงหมูชนทั่วๆไปเล่าขนาดพ่อแม่เนี่ยไปส่งศพกลับมาต้องรีบอาบน้ำเลยว่างั้นจะกล่าวไปยัยถึงคนอื่นที่ไปจับแตะเนื้อต้องตัวศพเข้าไปเนี่ยโหจะรีบร้างขนาดไหนว่างั้นมูชนยึดถือแล้วในร่างกายอันเน่าเปื่อย เป็นซากศพไม่มีแก่นสารเป็นร่างของกระดูกและเอ็นเต็มไปด้วยน้ำลายน้ำตาและอุจจระผู้ใดเพึงชำระร่างกายนั้นกลับข้างในมาไว้ข้างนอกคล้ายนะกับใส่รองเท้าหนังกลับงั้นนะผู้นั้นจะทนกลิ่นเหม็นของร่างกายนั้นไม่ได้เ็ไหมบางแห่งก็บอกว่าถ้าหากว่าเอาร่างเอ า, เอ า, เอาข้างในมาไว้ข้างนอกนอก็ถือไม้อนันนึงนไม่ไรสุนัขเดี๋ยวมันจะมากัดลำไส้นะเหมือนกั กระสือนะมีลําไส้ระโยงระยางตายเนี่ยนะใส่ก็ถือไม้อันหนึ่งไว้ไล่อ่นะแม่มารดาขอ ง, งตนก็ยังเกลียดเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเอาข้างข้างในมาไว้ข้างนอกเนี่ยนะอบอกแม่ของตัวก็ยังรังเกียจไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นเลยนะเอางี้นะลูกเป็นแผลฝีหนองถามว่าแม่ชอบไหมแผลฝีหนองอันนั้นเนี่ยนะที่ต้องเช็ดต้องถูต้องล้างเป็นต้นก็เพราะความรักในในบุตรนั่นแหละแต่ว่าแผลอันนั้นเนี่ยใครๆก็รังเกียจ ลูกพิจารณาโดยอุบายอันเยบไขว่าขันธาตุอายตนะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วนะนางเนี่ยโหเจริญวิปัตนานะขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปปัจจัยก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วเวทนาขันก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัญญาสังขารวิญญาณขันก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งเจอว่ข้อมูลเพียบเลยโอข้อมูลนี่เต็มเลยก็ <laughs> ด, ดูนะักเทศได้ตั้งยาวเลย ใช่ไหมเ ร, oon, เราไปร ouais> um> ู้อะไรเรอยาไปรู้เพือนเลยเพราะฉะนั้นธาตุนี่นะจากครูธาตุรูปประธาตุจากครูวิญญาณธาตุเป็นตอนก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วอายตนะจากขาอายตนะรูปายตนะอายตนะแต่ละอย่างเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีชาติเป็นมูลเหตุเนี่ยนะขันธาตุอายตนะเหล่านี้แหละที่เรียกว่าแก่ชะลาใช่ไหมขันธาตุอายตนะเหล่านี้มีชาติเป็นมูลเหตุเพราะฉะนั้นขันธาตุอายตนะซึ่งมีชาติเป็นมูลเหตุจึงเป็น เพราะเหตุไรจึงปรารถนาการวิวาเล่าไปกางฮะเอากำลังพิจารณาวิปัสสนาแล้วไปเชื่อมเรื่องงานแต่งงานอ่ะนะมันเข้ากันไม่ก็อินเทร์เน็ตเลยนะว่าหอกสามร้อยเล่มใหม่เอี่ยมจะพึงตกต้องที่กายทุกๆวันและทิมแทงอยู่ถึงร้อยปียังประเสริฐกว่าหากความสิ้นทุกจะพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะถ้าหากว่าใครเนี่ยถูกหอกแทงวละสามร้อยเล่มสามรอยเล่มแทงอยู่อย่างนี้ร้อยปี ถ้าหากว่าถูกแทงอย่างนี้แล้วบรรลุธรรมหรือสิ้นทุกข์ได้ควรยอมกันว่างั้นนะดีกว่านะอันนี้แจวมาผู้ใดรู้แจ้งคำสอนของภาษาสดาอย่างนี้แล้วพึงยอมรับการทิมแทงด้วยอาการอย่างนั้นยังประเสริฐกว่าเพราะสังสารวัตรของเหล่าคนนั้นซึ่งถูกพยาธิและมรณะเบียดเบียนใ บ, ย, บ ย, ยาวนานว่างั้นนะคือวัตทุกเนี่ยยาวอย่างนั้นจริงๆว่างนะั้นเ็กก็ดูที่ท ในพระสูตรบางแห่งกล่าวถึงเรื่องว่าทุกของพระโสดาบันเนี่ยนะเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์พักกัดใช่ไหมทุกของปุตุชนนั้นเหมือนกับเขาสิเนรุหรือว่าหิมวันตะบันพศเนี่ยโหมันใหญ่โตเหลือเกินมันยาวจริงๆนะเพราะว่าสังสารวัตของคนพานเนี่ยเป็นอย่างนั้นในจำพวกเทวดามนุษย์กำเนิรดเดรฉานหมู่อสุรกายเปรตและสัตว์นรก การทำร้ายกันและกันยังปรากฏอยู่หาประมาณไม่ได้แม้ในสัตว์นรกที่ทุกทรมานนั้นก็ยังมีการทำร้ายกันนะมีนายในริยบาลเนี่ยทำร้ายอยู่นั่นแหละเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งพวกเปรตเนี่ยเปรตนี่ก็ทำร้ายกันอยู่ตลอดนะบางทีเปรตแม่กินเปรตลูกอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยคลอดลูกมาวันละคลอดเช้า10บ ก, ก็กินให้หมดทั้งสินั่นแหละ คลอดสายสิก็กินอีกสิเงี้ยก็กินลูกวนอยู่ลักษณะเนี้ยมันจะไม่ตายเท่าบาปรกรรมยังไม่สิ้นสุดองแล้วหมูสัตว์เดรัจฉานเนี้ยปลาปลาเล็กๆก็กินปลาเล็กไปกว่า น, นั้นอกีกปลาเล็กกินพวกลูกนะ้ําปลาใหญ่มาหน่อยกินปลาเล็ ก, ใ ห, กใหญ่กว่านั้นกินเล็กกว่านั้นใหญ่กว่านั้นกินเล็กกว่านั้นกินกินตามลําดับชั้นเลยมันเกิดการเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งมนุษย์เองก็ยังเบียดเบียนกันเลยเนาะนะั่ะ แม้แต่เทวดายังทะเลาะกันเลยเทวดาก็เบียดเบียนกันสำหรับสัตว์ที่เศร้ามองอยู่ในอบายยังมีการทำร้ายกันอยู่มากในนรกแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้สุขอื่นนอกจากสุขคืนนิพพานไม่มีเลยแต่ท้านรกกำลังถูกทำลายเนี่ยท้าสาก่าไปช่วยได้ไหมโในนรกกำลังถูกเห็นฆ่าไฟร้อนเพบพบเนี่ยนะท้าสา ก, าก่าก็ถ้ามองดูก็ทำตาปริบปริบปริปนะ ว่าไม่รู้จะทําได้ยังไงเพราะศาสตร์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนะเพราะฉะนั้นสุขเอื่อนที่สงบแต่สุกเอื่อนเนี่ยนะนอกจากสุขที่สงบจากวัตตะแล้วไม่มีเั้นสุขจริงๆก็คือนิพพานนั่นแหละสุขจริงๆนีน่อยู่ที่ไหนนาะนิพพานอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะอนิพพานอยู่ที่ไหนเอองั้นก็ไม่มีสิ แล้วมีได้ยังไงอ่ะอ้าวไม่มีที่อยู่แล้วบอกว่ามีแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนทำไมอ่านไม่รูปัญหาโอ้ถามน่าดูเลยมีปัญหาเล่นนิดถามยาวนะบางท่านก็บอกว่านิพพานอยู่ในกายนี่แหละถามอยู่ตรงไหนทำ ไ, ไมอ้าวถ้าอยู่นอกกายนี้จะได้นั่งเรือบินไป ห, หา<ม>นะก็อบอกว่าตันหาอยู่ที่ไหนละ่ะจะดับตันหาก็ดับที่นั่นแหละนิพพานก็ สิ้นตันหาอันนั้นแหละเนี่ยนะนิพพานมีจริงแต่ว่านิพพานนั้นคือความสิ้นตันหาสารอกตันหาเพราะฉะนั้นในถามว่าในจักขูเนี่ยถามว่ามีนิพพานอยู่ในจักขู่ไหมแต่การใคร่ครวญจักขูถึงที่สุดแล้วแทงตลอดนิพพานได้ไหมนั้นนิพพานอยู่ตรงไหน เ ก, นนเกินวิสยัยเลยน ะ, นะใช้ไหมเพราะนิพานไม่มีไม่ใช่สถานที่แต่ธรรมนั้นมีอยู่จริงธรรมนั้นมีอยู่แต่เพราะนันเราก็จะเอาสีเอาเสียงเอากลิ่นเป็นต้นไปวัดว่าที่นะซึ่งจริงๆแล้วนิพานไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพเนี่ยนะเมื่อไม่ใช่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าทุกขสักเนี่ย น, นะซึ่งอุปาทานขันห้าได้รับการคข้ครวน เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะปะหาณะปริญญาเกิดขึ้นมากๆก็สามารถเข้าถึงที่สุดแห่งทุกนั้นด้วยนั้นได้แต่อย่าลืมว่าคนที่จะแทงตลอดสภาวะอันนั้นจะต้องเห็นขันห้าแบบเนี้ยแบบที่นางกาลังไข่ครวนอยู่นี่แหละ <c oughs> ว่าชนเหล่าใดขวนขวายในพระธรรมวินัยของพระทศพลมีความขวนขวายน้อย ภาคเพียรเพื่อละชาติและมรณะชนเหล่านั้นย่อมถึงนิพพานเหมือนกันก น, นะถ้าหากว่าผู้ที่ขวนขวายในธรรมวินยัยธรรวินัยธรรมวินยัรรนยเป็นชื่อของอะไรธรรมะเนี่ยเป็นชื่อของสมาธิกับปัญญาวินัยเป็นชื่อของศีล น, นะก็คือศีลสมาธิปัญญาของพระโทศพลอ่าผู้ที่ภาคเพียรพกพูนอยู่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่พระโทศพล ทรงแสดงเอาไว้ขวนขวายน้อยในอย่างอื่นแล้วภาคเพียนอย่างนี้นะภาคเพียรในธรรมวินัยอันนี้แล้วก็ละก็จะละชาติชราและมรณะได้ก็จะเข้าถึงนิพพานได้พันกล่าวว่าคนที่ไม่ภาคเพียร น, นี้ไม่สามารถที่จะตรัสรูนน้นิพพานนั้นได้ทูลกระหม่อมพ่อวันนี้แหละลูกจกบวชจะแต่งแล้วจะบวชจะได้นะ พ่อกับลูกค้ดคน ง, ง, งานเลยเนอะพคกขรัพย์ทั้งหลายไม่มีแก่นสารจะมีประโยชน์อะไรลูกเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายแล้วทำให้เสมอด้วยรากสุนักเหมงอนกนทำให้เหมือนตานยอดด้วนเ็บอกว่าพระนางเนี่ยเห็นไอ้สมบัติทั้งสองเมืองเหมือนรากสุนักอะ่อะ ร, รากสุนักก็คืออวกหมา หเห็นหมาเวลาสุนัขที่ทานอาหารเยอะๆแล้วมันขยอกออกมาและอาเจียนออกมานะเขาบอกว่านางนางนี่เห็นเมื่อกามทั้งหมดเหล่านี้เหมือนอาเจียนสุนัขเหมือนกันนะคิดคนละเรื่องกับเราเลยนะตรงนั้นคำหมดเลยไม่น่าภาระยะต่างกันกันกบปุถุชนอย่างนี้เองแล้วก็ทําให้เหมือนตานยอดด้วนคือไม่ให้มีความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นเลยก็บอกว่าอย่าว่ายินดีในกามที่เป็นของมนุษย์เลยแม้แต่กามที่เป็นของทิพย์ท่านยัางไม่ ยินดีเนี่ยนะเพราะเห็นโทษของโลภะที่ไปยินดีในในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นโลภะเมื่อยินดีในอารมณ์ที่เป็นทิพย์เนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษมีครับมาบนเป็นสุขหรือเป็นทุก<ม>ข์นะ<ม> <laughs> สาธุ น, านั้นปัญญาอันนั้นแหละ พ, พ่อพูนให้มากๆก็ <laughs> กจะทําที่สุดแห่งทุกข์ไดไ้เจอทิพย์ก็จะคิดยังไง เจอทิปเนี่ยนะโอ้ยไม่ต้องทิปเราเข้ากรุงเทพก็พอแล้วนึกธรรมะไม่ค่อยออกเลยเนาะเชียงใหม่นี่เดินออกนอกเขตวัดไหนหรือไม่ก็เปลี่ยนอารมณ์แค่คิดถึงคาว่าบ้านมาคําเดียวแค่นั้นแหละธรรมะพระพูทธวพปัสสนาดูหายไปไหนหมดแล้วเจ้าหญิงสุเมธานั้นกําลังกราบทูลพระชนกอยู่อย่างนี้พระเจ้าอนิกรั ผู้ได้รับพระราชทานพระนางสุเพทานั้นมีคาราชบริพานหนุ่มแวดล้อมแล้วเสด็จเข้ามาเพื่อสู่วิวาหะเมื่อเวลากระชั้นชิดนะคุยกันไปคุยกันมาเจ้าชายก็มาแล้วจะเข้าถึงเวลาแต่งงานแล้วจะได้แต่งหรือไม่ก็ของเบนพ่งนี้แล้วนะนิดหนึ่งครับ